พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส3สาพระสูตรที่37สดปิยชาติกสูตรสูตรว่าด้วยสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนารามบุตรน้อยคนหนึ่งของขารืหบดีผู้หนึ่งถึงแก่กรรมขารืหบดีผู้นั้นก็ไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นอันบริโภคอาหาร ไปสู่ป่าช้าคร่องครวนถึงบุตรที่รักแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามทราบความแล้วจึงตรัสสอนว่าความโศกความพิไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นของเกิดจากสิ่งเป็นที่รักแต่เขาฤาห์หาบดีกล่าวว่าความยินดีความดีใจก็เกิดจากสิ่งเป็นที่รักด้วย เป็นเชิงไม่รับว่าความรักจะทำให้ทุกข์โดยส่วนเดียวในทางทำให้สุขก็มีขณะนั้นนักเลงสกาหลายคนเล่นสกาอยู่ในที่ไม่ไกลครหา บ, บดีจึงเข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าความที่ตนกล่าวโต้ตอบกับพระผู้มีพระภาคทุกประการนักเลงสกาก็เห็นด้วยว่าความยินดีความดีใจเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก เขเรื่อหาเบอดีเห็นว่าความเห็นของตนตรงกับพวกนักเลงสกาก็จากไปเรื่องที่โต้ตอบกันนี้ก็เป็นข่าวลือไปถึงราชสำนักพระเจ้าระเสนที่โกรธสนทรงสนทนากับพระนางมัลลิกาถึงเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ทราบแน่พระนางมัลลิกาจึงส่งนาลิชังคพราหมณ์ไปกราบทูลถามราผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสยืนยันว่า ความเศร้าโศกเป็นต้นเป็นของเกิดจากสิ่งเป็นที่รักจริงและได้ตรัสชี้ตัวอย่างมากหลายถึงคนที่ถึงกับเป็นบ้าไปหรือฆ่าหญิงคนรักและฆ่าตัวตายเป็นเพราะผู้เป็นที่รักตายไปบ้างเพราะความรักมีอันปรนแปรไปบ้างแล้วนาลิสังคปรามก็กลับมากราบทูลพระนางมาลิกา พระนางมัลลิกาจึงทูลถามพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงบุคคลและแว่นแคว้นต่อไปนี้คือกุมารีชื่อว่าชิรานางวาสภาคติยาวิทูทภะเสนาบดีพระนางมัลลิกาเองและแคว้นกาศีและโกศลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าประสเสนทิหรือไม่ตรัสตอบว่าเป็นที่รักทูลถามว่า ถ้าบุคคลและแว่นแควนเปลี่ยนแปลงไปจะทรงเศร้าโศกหรือไม่ตรัสตอบว่าเศรา้าโศกพระนางมัลลิกาจึงตรัสสรุปว่าเพราะเหตุผลดังกล่าวนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถึงเรื่องที่ว่าความเศร้าโศกเป็นต้นเป็นของเกิดจากสิ่งเป็นที่รักพระเจ้าเะเสนที่โกศลก็ทรงเลื่อมใ ส, สเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับ ทำพระภูษาเฉวียงพระอังสาประคองพระอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่านโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น